ระญโยนาโคโยเมนังอาทธิธรมรมมาสารถิทิสังพระเสติยะดิวาคตะปุปปังยะดิวาอคตะ ป, ปุปพังตังคิ ป, ปัญญีวะคันตาหัติช้างของพระราชาที่ขวัญช้างสั่งให้ไปสู่ที่ใดที่เคยไป หรือไม่เคยไปก็ปย่อมไปสู่ทิศนั้นโดยปลันนั่นเดียวยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีหรือเวลาใดๆก็าตามที่ดูฟังเมื่อมีสติสัมปชัญญะเรามาฝึกทาจิตให้เป็นสมาธิกัน พาจิตของเราไปตามทางที่จะไปสู่ความเกษมทางนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบเป็นบริสริ์แปดอย่างเรามาเริ่มต้นสร้างทางเรามาเริ่มต้นเดินทางไปด้วยกันเริ่มต้นโดยการที่มาระลึกถึงโลมหายใจเข้าโลมหายใจออก องประกอบอันแรกที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิคือการที่ทั้งบุฟังได้เปิดวิทยุเปิดรายการได้เปิดเรื่องเล่นเปิดพอดแคสต์ฟังตั้งแต่แรกนั่นแหละจิตใจที่ว่าเออฉันเปิดลองฟังดูซินั่นแหละมีสัมมาทิฏฐิแล้วบุคคลใดที่มีสัมมาทิฏิแล้วนะทูตฟัง สิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ต่อไปไม่ยากเลยนั้นคือสัมมาสติก็มาเราลึกถึงไอ้สิ่งดีๆที่เราเปิดแล้วฟังขึ้นมาเนี่แหละนั่นคือธรรมะไงความเข้าใจความเห็นความรู้ที่ว่าเออฉันน่าจะมาฟังธรรมะบ้างนะนั่นคือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นธรรมะนี่เป็นยังไงนะไหนลองมาสังเกต สอดส่องดูแลใส่ใจดูซินั่นคือการระลึกถึงก็จะทำให้เกิดการระลึกได้ความระลึกได้นี้นั้นคือสติเรามาเริ่มตั้งสติกันเอาไว้ด้วยการมานึกถึงระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันสังเกตอยู่ที่ลมหายใจของเราตัวฝัง ลมหายใจของเรามันจะมีการเคลื่อนคือเป็นอากาศที่เคลื่อนที่เขาเรียกว่าลมเคลื่อนก็ไปในร่างกายผ่านทางโพรงจมูกเขาเรียกว่าเป็นลมหายใจเข้าเคลื่อนออกจากร่างกายผ่านทางโพรงจมูก็เรียกว่าเป็นลมหายใจออกการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนั้นก็อาศัยกล้ามเนื้อคือกระบังลมอาศัยสี่โครงอาศัยสิ่งต่างๆที่ ให้อากาศนี่มันผ่านไปได้เหมือนอากาศที่อยู่ภายนอกทุกบฟังเคลื่อนไปมาก็เรียกว่าลมใช่ไหมจะเป็นลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมเหนือลมใต้ที่มันพัดไปพัดมา ก, ก็โดหลักของความดันบ้างกลาศาสตร์บ้างเทอร์โมไดนามิกบ้างมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนที่ได้เวลามันเคลื่อนไปถ้ามันมาโดนตัวเรานะ เราก็จะรู้สึกได้นะอย่างลมแอรหรือลมพัดลมพมาโดนตัวเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเย็นดีนะเออหรือมันร้อนดีนะเออหรือมันแรงดีนะหรือมันค่อยดีนะเราจะรู้ถึงสัมผัสของลมนั้นได้เช่นเดียวกันนผู้ฟังเรามาสังเกตสัมผัสของลมด้านในปโปรงจ ม, มูก เบสิกนะทุกฝั่งนีง่พื้นฐานพื้นฐานสิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่ต้องย้ำลงไปย้ำลงไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่นคงจะได้มีความมั่นใจมั่นใจแล้วก็จะสามารถทำได้แน่นอนสังเกตดูสัมผัสของลมสังเกตดูสัมผัสของลมเบาเบามันเบาเบามันไม่ได้แรงเลยอาจจะห้ยใจร้รงๆ 2, ครั้งสองสามครั้งถ้าสังเกตไม่ได้ร อ, องเห็นดู ให้สิ่งที่เราจะมาเห็นได้จากการสังเกตดูลมมีสัมผัสเบาๆนี่มันยังง่ายกว่าง่ายกว่าความเห็นที่คิดว่าเออฉันจะต้องมาเปิดธรรมะฟังมาลองนั่งสมาธิดูให้สิ่งที่ต้องมาเห็นมีความคิดอย่างนี้ได้มันยากกว่ามากแล้วให้ที่ว่าจะมาเห็นลมหายใจสังเกตดูเนี่มันง่ายมากจิ๊บจ้อยแต่เปรียบเทียบกันแล้วสึ่งลมบางทีถ้ามันเบาสัมผัสนี่มันก็จะน้อยนิดเดียว ลมหนี้าเราห้ใจแรงๆมันก็เห็นได้ชัดเจนทีนี้พอเราสังเกตดูตรงจุดสมบัตินี้แล้วนะเราก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้เราไม่ต้องบังคับหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับให้มันสั้นมันยาวไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าไม่ต้องบังคับให้มันถีหรือห่างไม่ต้องบังคับให้มันสั้นหรือยาว เราทายบังคับให้มันร้อนหรือเย็นก็ไม่ต้องด้วยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันร่างกายของเราจะปรับสมดุลที่จะให้ไดออกซิเจนมากหรือน้อยเท่าไหร่อย่างไรตามกระบวนการธรรมชาติของเราอยู่แล้วไม่ต้องเกรงไรเกรงคอเกรงหลังเกรงคิ้วเกรงหน้าเกรงตัวส่วนไหนไม่ต้องเกรงให้ปล่อย คิวหน้าคอบา่าไหลหลังจนถึงเท้าอย่างสบายสบายให้มีความผ่อนคลายให้มีความสบายพอเราผ่อนคลายร่างกายแล้วลมหายใจมันเป็นธรรมชาติตัง้งบ้างไม่ถูกไหมครับเพอผ่อนคลายร่างกายให้มีความสบายสบายแล้วในก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ ทำการศึกษาฝึกผลให้มีการปรุงแต่งทางกายระงับลงการที่ให้จะมีการปรุงแต่งทางกายขยับเลื่อนเพื่อนไหวเกรง็งหรือเครียครดคลัตจุดใดจุดหนึ่งไม่หม่ๆนัๆ่นมันเป็นกายสังขารคือการปรุงแต่งทางกายเราให้มีความผ่อนคลายใช่ไหมนั่นคือทำการปรุงแต่งทางกายให้หระงับลงในขณะที่ก็สายใจเข้า ทำการปรุงแต่งระงับลงในขณะที่ก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้การปรุงแต่งต่างกายระงับลงนี่แหละท่านบวั ง, งมันอัตโนมัติเลยเป็นการเจริญอาณาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะให้เกิดสติขึ้นฝึกให้ มีกายระงับลงด้วยการที่เราทํากายให้ผ่อนคลายให้สบายๆไม่ต้องปรุงแต่งมากให้มีความระงับลงนั่นคือลักษณะที่เราเห็นกายในกายทังเห็นกายในกายฝึกกายเติมบริไว้กับเวลาที่ขวัญช้างเขาได้ช้างที่มีลักษณะดีมีพันธุ์ดี มาจากป่าแล้วเขาจะทําการฝึกให้เป็นช้างที่คู่ควรแกร่พระราชานั่ือหมายถึงเป็นเกียรติยศสูงสุดของความเป็นช้างที่จะมีลักษณะดีมีความสามารถมีความเชื่องสามารถสั่งให้ลุกให้ยอดให้ทําอะไรต่างๆได้รู้ภาษาเนี่ยเขาจะเอาไว้ให้เป็นองค์อวัยวะของพระราชาคือเป็นช้างที่คู่ควรแกร่พระราชาจะใช้สอย จัดว่าเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งจัดว่าเป็นเหมือนกับเครื่องประดับจัดว่าเป็นเหมือนกับอวัยวะของพระราชาเลยที่จะคู่กันไปที่จะไปด้วยกันหนึ่งในลักษณะนั้นตรวรังนั่นคือความที่สามารถอดทนได้ความที่สามารถจะอยู่นิ่งๆได้ความที่สามารถเวลามีเสียงอึกทึกกึกโครมแล้ว แม้แต่งวงแม้แต่หางก็ไม่ขยับอยู่นิ่งๆเลยมันคือลักษณะของช้างที่มีความอดทนฝึกให้ยิงกันใบอีก็เวลาเข้าสู่สมรภูมิแล้วถูกแทงด้วยหอกด้วยลหลาด้วยหวายก็ไม่สะเทือนไม่ดิ้นตัวชนกระทัง่งคนที่อยู่บนหลังนี่ทรงตัวอยู่ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นแต่อดทน ฝึกให้มีความสงบระงับพระพุทธเจ้าท่านยกอุปมาอุปไมน่นี้เปรียบเทียบกับว่าพระราชารวมทั้งคนฝึกช้างด้วยนั้นคือพระพุทธเจ้าวิธีการฝึกวิธีการสอนนั้นก็คือธรรมะส่วนตัวช้างนั้นก็คือสาวกทั้งหลายที่ว่ากำลังทำการฝึกอยู่เป็นช้างที่มีลักษณะดีแล้ว ออกมาจากป่าแล้วก็เหมือนตัวเราเนี่ยแหละที่ว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วที่ว่าจะสแสวงหาไอ้สิ่งอะไรมาลองฝึกทำสมาธิดูโอ้โหมันหายากคนที่จะเป็นแบบเนี้ยนั่นคือช้างที่มีลักษณะดีแล้วการอยู่ในป่า น, นั้นคือการที่ยังชุ่มอยู่ในกามยังยินดีพอใจในกาม เดี๋ยวคิดว่าเออฉันจะไปกินอะไรดีอะไรคิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปไหนดีอดไรเจะคิดว่าวันนี้จะดูซีรีส์อะไรดีนี่อันนี้คือลักษณะมันวุ่นวายนะเหมือนในป่าเนี่ยจะมีอันตรายรอบด้านเสียงกึกกักตรงนี้ก็ต้องคอยระวังได้กลิ่นนี่มันก็ต้องรีบหนีเดี๋ยมีอะไรกึกกักตรงนู้นก็ต้องกระโดดขึ้นอย่างนี้คือมันมีอันตรายรอบด้านในป่านี่นะนั่นคือวิสัยของผู้เสพกามที่ว่าจะต้อง เช้ากินนี้แล้วเดี๋ยวเย็นจะกินอะไรนี่มันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบออกมาจากป่าสู่ที่โล่งแจง้งอ่ะนั่นคือการมาปฏิบัติธรรมละหนึ่งชั่วโมงนี่แหละไม่ต้องอามากทูฟังเราไม่ต้องแบบว่าสามวันห้า ว, ว, วันเจ็ดวันเก้าวันอะไรเงี้ยนั่นก็จะททำได้ก็ดีแต่ว่าตอนนี้เอาง่ายๆส0สิาานาทีสี่สิบนาที อ่าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงนี่เอาให้ได้ลีก็ออกมาจากป่าแล้วไม่ได้อยากะไรออกมาจากป่าสู่ที่โล่งแจง้งสบายสบายดูวังจากนั้นกางปรุงแต่งต่างกายระงับแล้วให้ฝึกทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับด้วยคือกายออกมาจากป่าแล้วก็จริงใช่ไหสยสบายๆละใจนออกมาหรือยัง ใจออกจากป่าหรืออย่างช้างเวลามันออกจากป่ามาตัวมันนี่ยแต่ว่าในภายในจิตใจมันยังมีวิสัยเห็นความเป็นสัตว์ป่าอยู่เบ่งนี้มันไม่ฟังคําขวานช้างจะบักจับตัวมันนี่มันจะขึ้นฮัดขึ้นมามันจะไม่ฟังมันจะบอกว่าเวียงเข้าสายบ้างไม่รู้ภาษาบ้างให้กินมันก็ไม่กินให้นั่งก็ไม่นั่งอย่างนี้กลัวไปหมด เห็นคนถืออาวุธเข้ามาแล้วก็ขู่ใช้ละหรือได้กินอะไรที่มันตุต่นหน่อยเห็นช้างตัวอื่นหน่อยมันก็มีความกลัวมีความระแวงนั่นยังเป็นวิสัยของสัตว์ป่าอยู่เหมือนกันท่านบอกฝังใจิตใจของเราเพิงดีเราเออฉันเปิดพี่ดิวมาฉันฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันยังหวนไปคิดถึงเรื่องอื่นๆได้อีกหวนไปคิดถึงกรรมคือความสุข ความเปลินทางต่ามหูจมูกลิ้นและกายที่ผ่านมาแล้วหรือที่จะมีต่อไปในอนาคตวันนี้ฉันจะไปชอบอะไรดีนะถ้ามันมีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นสิบสอย่างนี้โปรโมชั่นมันก็มีทุกเดือนนั่นแหละจิตใจเรามุ่งพุ่งไปตามปุ๊บนี่ออกป่าเล ย, เยวันนี้ฉันจะกินอะไรดีนะเช่นจะโตหาใครนะฉันจะทําอะไรดีนะคิดนึก ไปหมดอะนั่นคือวิสัยที่มีความกุ้นจินแบบนั้นเขาทำยังไงควานช้างเขาก็เอาเสาตะลุงมาปักเอาไว้แล้วก็ผูกช้างเนี่ยไว้ก่อนด้วยโซ่ตรวนแล้วเสาตลุงเนี่โอ้เป็นเสาที่มีความมั่นคงมากคือเขาฝังดินเอาเสายาวๆเป็นสองวาสามวาเนี่ยฝังดินจนมิดเลย แล้วก็โปล่หัวขึ้นมาประมาณสักศอกเดียวเจาะรูเไว้ตรงกลางแล้วก็เอาโซ่ตรวนคล้องเอาไว้มาผูกกับช้างช้างนี่มันจะดิ้นไม่หลุดโดยความลึกของเสาโดยความตี้หยาของมันทำให้จะทำลายเสานี่ก็ทำไม่ได้โซ่ตรวนนี่ก็มีความแข็งแรงจะดึงมันก็ไม่ออกเขาก็จะผูกช้างนีไว้ให้มัน รู้จักฟังคำซะ ก, ก่อนไม่ทาอันตรายคนอื่นซะ ก, ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปพูดดีๆกับมันอา้าวพี่ช้างเป็นยังไงกินน้าเถอะกินหญ้าสินี่อ้อยนะนี่กล้วยนะถ้าช้างยังไม่กินเนี่ยเขากเา็เงินปลูกไว้ก่อนให้มันลายประโยชน์ซะก่อนอถ้าช้างกินแล้วเออถึงจะค่อยเริ่มฝึกกันได้ที่ใจของเราเหมือนกันนะทุฝังนะ หันุนไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราปักเสาฮูกจิตของเราไว้ปักเสาผูกจิตนั้นคือตั้งสตินั่นเองตั้งสติของเราไว้ด้วยคเครื่องมือที่ทุกคนมันมีหมดแม่ให้มาตั้งแต่เกิดออกจากคานเบิรหายใจทันทีไม่ให้ใช้ที่หมอโคตรด้ ว, วงเอาแยงเอาตะยเอาตีก้นให้หายใจทุบหลังให้ ลมมันออกมาก็เสื่อมเสร็จแล้วก็ดูเข้าไปเริ่มกระบวนการการหายใจลมไม่ใช่แรกนั่นแหละก็ร้องไห้ทันทีเด็กหนิมเป็นอย่างนี้ก็คือตัวเราเนั่ยแหละหายใจเข้าหายใจออกเลยใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นกุ่องมือที่จะตั้งสติเอาไว้คือสติไม่ใช่ลมหายใจนะทุกฝังนะเสาเนี่เปรียบกับสติ สานี่ไม่ใช่ลมสานี้คือสติแต่สติจะเกิดขึ้นได้ก็ตอนที่เรามาระลึกถึงนึกถึงลมเวลาที่เรามาระลึกถึงนึกถึงลมความระลึกได้ น, นั้นคือสติเวลาที่เรามานึกถึงระลึกถึงไม่ลืมลมความไม่ลืมนั้นคือสติเวลาที่เรามาระลึกถึงนึกถึงไม่ลืมลม สังเกตอยู่กับลมความสังเกตได้นั้นคือสติเวลาที่เรามาระเลิกถึงนึกถึงไม่ลืมสังเกตจดจ่ออยู่กับลมความจดจ้อนั้นคือสติเราอะไรละ่ะมาจดจ่อมาเลิกถึงมาดูมาสังเกตก็จิตของเรานั่นแหละจิตมาทมาทำหน้าที่ในการรับรู้เราก็เอาการรับรู้เอาจิตของเรานั่นแหละมาอยู่กับลม จิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมแน่นอนดูฟังหนึ่นคือเหมือนช้างผูกผูกไว้อยู่ที่เสาตะลงุงทีนี้ช้างมันเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่อยู่นิ่งบาทีมันก็จะฮึดฮัดบ้างอะไรบ้างได้ยินเสียงอะไรมันก็ตกใจได้กลิ่นอะไรมามันก็กวาดกลัวมันก็จะมีท่าทางที่พยายามจะดึงไปดึงไป เหมือนกันว่าพอจิตของเรามาตั้งอยู่กับลมระลึกถึงลมสังเกตดูที่ลมจดจอ่อระลึกถึงอยู่เนี่มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิน่นมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินอะไรและแน่นอนมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความคิดอะไรเลยเราก็ใช่ได้กลิน่นได้ยินมีความคิดนึกได้กลิ่นก็ต้องผ่านทางจมูกได้ยินนีก็ต้องผ่านทางหู ความคิดนึมก็อยู่ในใจมันยังมีการรับรู้ทางอื่นอยู่เหมือนช้างถูกผูกอยู่มันยังไม่นิ่งมันก็จะขยับไปขยับมาดึงไปดึงมาแต่เส า, ไ ม, มนะสาไม่ล้มนะเสาไม่หลุดแล้วก็ห่วงโซตรวนอย่างยู่นะนั่นก็คือเวลาที่เรารับรู้ถึงกลิ่นบ้างมีความคิดบ้างแต่เราไม่ลืมลมเหมือนอย่างเงี้ยท่านผูฟังเนี่ยดูลมห้ชอยู่เนี่ยระลึกถึงลมอยู่มละ่ะ ดูอยู่กําหนดอยู่รู้อยู่มันก็คือมีสติอยู่นั่นแหละแต่ก็ได้ยินเสียงของคําประชาไปด้วยได้ยินเสียงไปด้วยก็ใคร่ครวญไปตามความคิดใคร่ครวญไปตามมันก็อยู่ในใจมันก็เป็นความคิดนึกรู้ลมไปด้วยไงความคิดอื่นๆได้มาเราไม่ลืมลมมันก็คือยังผูกอยู่ยังมีสติอยู่นี่คือลักษณะที่ว่ามันเริ่มแยกกันละ่ะ จิตนั้นเริ่มแยกกันกับกเจ้าวิญญาณวิญญาณที่ไปทำการรับรู้สิ่งต่างๆคือมันเกิดขึ้นปุ๊บนีจิตมันจะวัววัเคลื่อนคล้อยไปทันทีเพราเป็นวิสัยของจิตที่มันจะไปรวดเร็วจะไปดวงเดียวจะไปตามอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้คือวิญญาณนั้นแต่ที่นี้เราตั้งสติไว้อยู่ลมแล้วไงเหมือนเราผูกจิตไว้ด้วยสติแล้ว เวลามันจะไปมันก็ไปได้ไม่เต็มที่เวลามันจะไปมันก็จะอ่อนกําลังในการที่จะเคลื่อนไปเพราะสตินี่ตั้งเอาไว้เหมือนช้างไม่เคลื่อนที่ไปไหนเกินระยะของโซ่ตรูนี้ไปได้ไม่ลืมลมนะมีความคิดนึกใดไม่เผลอไม่เพลินไปตามสิ่งที่ตรงข้ามกันกับการไม่หลงลืมนั่นก็คือเพลินไงเพลินแล้วเผลอแล้วไง เผลอแล้วมันคือลืมไปแล้วนะโรงข้ามกับลืมก็คือไม่ลืมนะ่ะไม่ลืมก็คือไม่เผลอนนะ่ะไม่เผลอคือไม่เพลินใช่ไหมล่ะไม่เพลินคือมีสติไงสติคือการสังเกตดูการกำหนดดูการจดจ่อดูการเฝ้าดูนั่นก็คือสติก็อันเดียวกันนะ่ะมีการเฝ้าดูสังเกตดูจดจ่อดูกำหนดดูอาอ ม, มีสติละเระลึกได้ละมันก็คือไม่เผลอไม่เพลินสังเกตดูอะไรอยู่ก็ตาม เพื่อจะมีสติอยู่มันไม่เปลือไม่เปลินไงสบายใจอยู่ได้ดูฝังสบายใจอยู่ได้ลักษณะที่เรามาสังเกตดูอยู่กับลมและมีการปรุงแต่งทางจิตใจนี่นคือเป็นความคิดนึกต่างๆนี่เราสังเกตด้วยเฉยใช่ไห ม, มีการปรุงแต่งทางใจใช่ไหมสังเกตดูอยู่กับลมใช่ไหมนั่นคือผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งการปรุงแต่งทางจิตหายใจเข้าหายใจออกแล้วเลยรู้พร้อมเฉพาะหมายถึงไม่เปลี่นตามไปรู้พร้อมเฉพาะหมายถึงฝึกฝนไงฝึกฝนกระทั่มตั้งสติอาลมแล้วไม่เปลี่นตามไปคือสังเกตดูเฉยๆไม่ได้จะมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจไปตามรู้พร้อมเฉพาะคือสังเกตดู อยู่แล้วตั้งสติอยู่ด้วยไม่ลืมลมหายใจด้วยการหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่างนี้ในที่นี้หมายถึงไม่ต้องไปพยายามจะบังคับให้มันคิดหรือมันไม่คิดเพราะถ้าพยายามจะบังคับให้มันคิดหรือไม่คิดได้ยินหรือไม่ได้ยินมันจะงุดหงิดมันจะปวดหัวมันจะเครีย ยิงเวลาคนที่ทำสมาธิแล้วมีใครทำเสียงดังมืลึกกึกกักนี่เฮ้ยมันจะแบบอารมณ์เสียไหมนึ่งคือเราไปตามการปรุงแต่งของเสียงที่มันเข้าสู่จิตใจแล้วอย่ามีอารมณ์พื้ทัศไม่ดองใปบังคับสิ่งใดๆโดยเรื่องยิ่งความคิดแค่รู้เฉยๆทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวแต่พอไม่บังคับไม่เปลินไปตาม ไม่ใส่ใจแล้วเนี่ยนะสังเกตดูอารมณ์แล้วเนี่ยนะมันจะอ่อนกำลังลงแล้าทำไมอย่างนั้นะเพราะเวลาที่เราไม่ใส่ใจไม่ตรึกตรึกไม่คิดนึกไปตามทางไหนจิตใจของเราจะไม่เคลื่อนคล้อยไปตามทางนั้นจิตใจเราไม่เคลื่อนคล้อยไปทางไหนสิ่งนั้นจะเป็นยังไงทุกบุรวงว่ามันก็อ่อนกำลังมันไม่ได้จะมามีอำนาจเหนืนอจิตของเรา มีอิทธิพลเพิ่มเติมขึ้นได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไปในะมันไงถ้กคุณใส่ใจอยู่อะไรเนี่ยใส่ใจอยู่กับลมเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไปในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่จะมามีอำนาจเหนือจิตมาครอบงาจิตมีพลังของจิตอยู่ต่อเนื่องต่อไปได้พลังอะไรที่มันมีมั่นชจาอ่อนลงอ่อนลงสิ่งไหนที่เราตรีตรึกคิดนึกไป จิตเรามันก็จะเคลื่อนคล้อยไปตามทางนั้นจิตเราเคลื่อนคล้อยไปทางไหนเป็นบมฝังว่าสิ่งนั้นจะเป็นยังไงมันก็จะมีพลังไงมีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรามาตรีตรกมาคิดนึกมาสังเกตดูอยู่ก็ล้มอยู่ก็ล้มไล่มันจะมีกาลังมากขึ้นก็ตอนนี้เราทำอะไรอยู่ล่ะจะเรนอาณาปานสตินะ สติก็มีกําลังมากขึ้นตามกระบวนการของอาณ า, าปากและสติสติเราจะมีกําลังหมายถึงเสาเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นจากเสาไม้เปลี่ยนเป็นเสาหินจากที่มันลึกแค่วาเดียวมันก็จะลึกไปเป็นสองวาสาวาเพราะความที่มันมั่นคงจากโซ่ตรนนิดหน่อยมันกลายเป็นโซ่ตรวนที่มีความยาวขึ้นมีความหนาขึ้นได้ สติมีกำลังเพิ่มขึ้นเองดับเบิลฟังการปรุงแต่งทางจิตที่เป็นความคิดนึกนั้นก็จะเบาบางลงก็จะระงับลงโดยอัตโนมัติไม่ได้ต้องไปบังคับมันว่าจงอย่ามีนะเจ้าความคิดนะไม่ต้องแต่มันจะระงับลงโดยอัตโนมัติจากการที่เราไม่ได้ต้องไปใส่ใจในความคิดเหล่านั้นผ่านมาก็ผ่านมาความคิดอดีตอนาคตธรร ม, มาดา อยากกินนั่นนั่นอยากไปที่นี่กับธรรมดาแต่ว่าฉันไม่เปลินตามไปที่ฉันไม่เปลินดนั่นก็บราวา่าฉันไม่เปลือยไงจะมีลมหายใจเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงสังเกตเห็นดูอยู่ก็จริงแต่ไม่เปลินตามไปนั่นคือการไม่ลืมลมนั่นเองการไม่ลืมลมในขณะที่ก็ยินเสียงในขณะที่ก็เห็นภาพในขณะที่ก็กิกนอาหารดมกลิ่นมีสัมผัสนั่นนี่แล้วไม่ลืมลมเนี่ย คือไม่เปลินไปไงไม่เปลินไปตามภาษาเหล่านั้นเหมือนช้างนี่นะโง่อยู่กับเสาใช่ไหมพอมีคนถืออาวุธเดินมาใกล้ๆมันจะกลัวขึ้นฮืดทัดขึ้นอย่างงี้แต่มันไปไม่ได้เพราะมันติดเสาอยู่ก็หมายถึงว่าสังเกตดูจะเปลินไปเฮ้แต่นึกถึงลมไปก่อนเออไม่ลืมลมไงพะบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเออคนนี้มาไม่เป็นอันตรายนะ หรือเราฝึกให้รู้จักความอดทนแล้วนะมีความระ ง, งับรณนาจ้าวช้างนี่นะเวลาเห็นคนถืออาวุธเดินมาเห็นช้างตัวอื่นอยู่ตรงนู้นเห็นใครทำอะไรนี่มันก็สังเกตดูเฉยแต่มันไม่ไหวติงไม่ต้องเคลื่อนที่ไปถ้าควาช้างไม่ได้สั่งเหมือนกันนะ่ะเราตั้งสติอยู่คนลมแล้วมีความคิดต่างๆนั้นนี่เราไม่เปลี่ยนไปเราอยู่นิ่งๆได้ น่คือการทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับศึกษาฝึกฝนนะฝึกในการทำอย่างนี้ด้วยการหายใจเข้าด้วยการหายใจออกนั่นเองฝึกในการทำการปรุงแต่งต่างจิตให้ระงับ่อให้เป็นธรรมชาติโดยการไม่ใส่ใจไปตามความคิดกลิ่นเสียงมันก็จะอ่อนแรงลงโดยอัตโนมัติ ทำให้ดีทำให้เป็นฝึกทำไม่ได้รแรกมา จ, จะบังคับบ้างอะไรบ้างอย่าฝืนตั้งจิตไว้ให้เป็นธรรมชาติไม่เปลือยเปลนไปตามความคิดนึกอดีตเพื่ออนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามสังเกตดูลมไม่ต้องบังคับพอทําการปรุงแต่งทางกายทําการปรุงแต่งทางจิตให้หรังับแล้วดูฝังนี่คืออาณาปานสตินี่ เป็นสมถะก็ได้อาณาปานาสติต่อไปเป็นวิปัสสนาก็ได้เพราะด้วยจิตที่สงบแล้วสังเกตดูลมนิ่งอยู่ลมไม่ใช่ระ ง, งับลงระ ง, งับลงเระโอทัศมามายก็ไร้ครวนตัวแังธรรมะมายก็ไร้ครวน ว, ว่าเออจิตของเราเนี่ยมันตั้งอยู่เงี้ยคือมีทางแล้วนะนี่เป็นช่องทางแล้วนะ เราอยู่เดินตามมาในช่องทางนี้แล้วนะช่องทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเซริด8ปดอย่างเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อสุครูพูดถึงสมาธิทิฐิคุณเปิดรายการนี้ฟังเนี่ยอโอ้โมันมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจิตใจอาจจะวุ่นวายยังไม่สงบไม่เป็นไรบางคนหมุนหมุนลื่นมาเออนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างจิตใจมันว้าวุ่น ราวะประมง์อามาฝึกสังเกตดูลมมันก็ด้วยการตั้งสติขึ้นไงสติก็ตามมาได้ไอ้ที่เราจะมาใส่ใจระลึกถึงความเพียรที่ลงไปหนึ่งก็เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาวายามะก็มาแล้วด้วยเลยนะในอะไรในการดีจะสังเกตดูลมพอสังเกตดูแล้วจิตมันระ ง, งับลงระ ง, งับลงหนึ่งก็จะเป็นสมาธิ ในกระบวนการที่ระ ง, งับลงไอ้เจ้าความคิดที่เป็นทางการปฏิบัติเบียดเบียนก็จะอ่อนกําลังลงด้วยมิจฉาสังกปะก็ระ ง, งับไปหายไปเหลือแต่ก็ต้องเป็นสัมมาสังกปะในที่นี้ก็มีละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาสติสัมมาวาจามะระ ง, งับลงระ ง, งับลงมันก็จะเริ่มเป็นสมาสมาธิ ไอ้จุดที่ว่าจะเกิดสมาธิได้มันก็ต้องมีพื้นฐานคือเป็นศีลของเราแล้วเนงให้สมาทานศีลเลยตอนนี้เอาปานาตีปาต า, า, า, า, าโอยมันจะเสียเวลาศีลมันคือเจตนาไม่ได้อยู่ที่คำพูดเลยถ้ามีเจตนาตั้งไว้ว่าเออฉันจะรักษาความเป็นปกติทางกายทางวาจาบูมเลยคุณมีศีลเลยศีลมันก็คือเป็นสัมมาวาจา สัมมาคัมมันตะสัมมาอาชีวะนะองค์ประกอบเจ็ดอย่างนี่พร้อมแล้วนะองค์ประกอบเจ็ดอย่างไล่ไปจากเมื่อสักครู่สัมมาปชาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสามอย่างละสัมมาสติสัมมาวายมะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะอีกสี่อย่างรวมกันก็เป็นเจ็ดอย่างละเจ็ดอย่างนี้แวดล้อมจิตอยู่แวดล้อมจิตอยู่จิตจะระงับลงระงับลง จนเป็นสัมมาสมาธิเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยตมฟังให้ที่ยากกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มีสมาทิฏฐิแล้วแต่มันยากกว่าอีกพอมีสมาทิฏฐิแล้วเกิดสัมมาสติมีสัมมาสติแล้วเกิดสัมมาสมาธิมันไม่ยากมันเป็นไปตามกระบวนการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากได้โดยง่ายๆได้โดยสบายสบาย พะเรามีสมาธิเอา้าก็เรียบร้อยแล้วนี่ใช่เรียบร้อยแล้วเราอยู่บนทางแล้วคือทางที่จะไปสู่นิพพานคือทางที่จะให้ถึงความดับกิเลสทางที่จะไปสู่ที่ที่ไม่มีภยัยนั่นคือความเกษมแต่ว่าฉันี่ไม่เคยไปนะว่าทางนี้พาไปไหนเหมือนอย่าง น, นโมฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้จะเดินทางเข้ามากรุงเทพ วุ้งฉันก็จะไปไม่เป็นละมันเมืองใหญ่ไม่รู้สอกแสกอยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าอา้าวเขาให้ไปนะให้ไปก็อาก็ไปก็ไปก็ไปตามทางเส้นนี้เหมือนกันตอนนี้ทดูฝั่งพระบุรุษชอบสอนมานี่ให้ไปตามทางนี้เอาเราทางนี้จะไปไหนท่านก็ไปเถอะไปตามทางนี้มันจะไปสู่ที่นั่นนิพานแล้วนิพานเป็นไงท่านนิพานก็คือความดับกิเลสนนะละความดับกิเลสเป็นไงท่าน ก็ไม่ร้อนไม่หิวไม่มืดสว่างอยู่โอ้แล้วสว่างเป็นยังไงเหมืดนกันมันถามต่อไปอยู่เรื่อยนะช้างเนี่ยเวลาที่มันถูกสั่งให้ไปทิศนั้นหรือทิศนี้บางทีถ้ามันไม่เคยไปแล้วมันก็ไปไม่เป็นแล้วมันก็ไม่ไปไงมันกลัวบ้างตรงนี้ทำไมมีหนามตรงนี้ทําไมมีหลุมตรงนี้ทําไมมีคโคลนช้างนี่ต้องแก้ปัญหาเองนะเวลาควานช้างาต้องตามช้างตัวนั้นไป ช้างตัวนั้นมันไปไหนมันก็ต้องตามไปเหมือนมันจะผ่านขวากน้ําำมันก็ต้องลุยตามไปให้บุกเข้าไปตรงนี้โอ้ยตรงนี้เป็นกําแพงหนาๆมันจะไปยังไงหรือตรงนี้เป็นต้นไม้มีหนามมจะไปยังไงไม่ไปไม่ได้นะช้างที่เราฝึกมาดีแล้วควานช้างจะสั่งให้ไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ต้องไปสู่ทิศนั้นโดยพลันเราฝึกจิตของเรานี่ ให้รับคําสอนของพระพุทธเจ้าฝึกจิตของเราให้คล้อยตามผู้รู้ฝึกจิตของเราเนี่ให้เป็นผู้ที่ฝึกได้จะรับฟังคําสอนในที่นี้คือจิตมีความนอบน้อมท่านสั่งว่าท่านสอนว่าให้ไปตามทางนี้คือทางที่มีองค์ประกอบประเสริฐแปดอย่างเนี่ยเราไป รู้ไม่รู้ว่าจุดหมายมันเป็นยังไงระหว่างทางมันจะมีขวางหนาไหมจะเจออะไรบ้างไปเลยในนอนดูฟังอะไรก็ตามมันก็มีปัญหามหมดอะอะไรก็ตามก็มีอุปสรรคหมด่ะเนี่ยจะมาทําสมาธิดูก็ฟุง้งซ่านเดี๋ก็ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็คิดมากเดี๋ยวก็นั่นนี่โน่นแต่เราก็ไปนะเราก็ยังทำเอาทําได้มากทาได้น้อยก็ยังทํา บาคนจะมีความคิดอย่างนี้ด้วยซ้ำโดยหวังว่าโอ้ให้ทําสมาธิชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ก็เลยไม่ทําเลยใช่ไหมล่ะอ๋อแต่บางคนก็มีความคิดว่าเออฉันทําได้แค่ห้านาทีสองนาทีแค่นั้นแหละอ๋อแต่ว่าก็ลองทําดูนะ่ะอะลองทําดูลองปฏิบดดัติดูได้มาได้นะ้อยก็ยังได้ทํอาอ่ะไม่ได้สมาธิเลยมันก็ยังได้ความเพียรอ่ะเอเอคิดแบบนี้นถูกต้องก็สั่งให้ทําอะไรจะทําได้ดีหรือทําไม่ได้ดีทำไม่เป็น ก็ลองฝึกทำดูลองฝึกปฏิบัติดูเหมือนช้างที่ไปเลยท่านเปรียบเทียบไว้กับบุคคลในธรรมะวนัยนี้นี่แหละท่าวังที่ถ้าเราเกิดมาได้นี่นะมีอยู่ที่เดียวแต่เราไม่เคยไปนั่นคือนิพพานที่ถ้าเราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้แล้วนะให้มั่นใจได้เลยว่า เกิดมานี่ทุกที่ทุกซอกแซกทุกหัวมุมในสังสารวัตนี้ในวัตตนนี้ในสารเสดิจภพภูมินี้คุณได้ไปเกิดมาแล้วหมดแน่นอนสุดขั้วขอบนรกเราก็ไปมาแล้วสุดขั้วขอบของปรมโลกอรูปปรรมเราก็ไปมาแล้วฟันตรงให้ได้เลยตลอนเวลายืดยาวนานถึงเลีย่ยงนี้เนี่ย พี่ที่เราไม่ได้เคยไปเกิดไม่ได้เคยเห็นกันไม่ได้เคยเจอกันไม่ได้เคยเป็นญาติกันนี่มันไม่มีหรอกหายากมากที่แบบนั้นอาจจะมีนะแต่หายากหายากมากๆท่านบอกงี้แต่ในบรรดาตั้งแต่อะไรอ่ะที่มันจะลำบากมันจะตกตำ่ำนรกําเนิดเดรฉานเปรอสุรกายพวกนี้ ลำบากเราไปมาหมดแล้วทุกหัวมุมทุกสอบทุกขุมอาศัยระกายทุกประเภทเป็นไปมาหมดแล้วมนุษย์หรอธรรมดาเกิดมาตั้งแต่ขอทานเป็นคนยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติอนาถาจนกระทั่งถึงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อไปเป็นพระราชามหากัตร์จนถึงพระเจ้าจักรพรร คุณเป็นมาหมดแล้วเป็นมาหมดแล้วจริงๆท่านว่ามันไม่มีอะที่มันไม่ได้เป็นเพรามันยาวนานมากสังสารวัตรนี้นะวนไปวนมาหรือขึ้นไปถึงสวรรค์หกชั้นเอา้าตั้งแต่จตุมหาราชิกาเกิดเป็นเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่โอเป็นมาแล้วหรือต่อไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงไล่มาแต่พวกคนทัน พวนางอับสรพวกเทพเหล่าใดที่มีสีงามบ้างสีสว่างบ้างน้อยบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างเป็นมาหมดจนถึงหัวหน้าของเราเทวดานั่นคือเท้าสากัดเทวราชหรือที่เราเรียกว่าพระอินทร์หรือพระอรุณอมรินทร์นั่นก็เป็นมาแล้วให้มั่นใจได้เลยสูงขึ้นไปกว่านั้นเหล่าเทพในสวรรค์ชั้นยามาชั้นดุสิต ฉันนิมานนรดีฉันปรินิมิตสวัสดีฝักไยเดียวกับพวกมารฝักฝ่ายเดียวกับพวกเทพเราเป็นมาหมดแล้วสวรรค์หกชั้นขึ้นไปอีกเอาสวรรค์ชั้นพรหมจะพรหมชั้นที่หนึ่งที่สองที่สา ม, ท, สามที่สี่แต่ล้านก็แยกไปอีกบ้างสามัญบ้างสี่ันบ้า ง, นางจนถึงอรูปประพรหมดับวางเราเป็นมาหมดแล้ว เป็นหมดแล้วตลอดการยืดยาวนานในวัฏสงสารนี้เนี่ยนะมันยากมากที่ตรงที่เราจะไม่ได้ไปเกิดเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันยากมากแล้วการที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยากมากอีกเหมือนกันเพราะมันใหญ่มากมันกว้างมากใช่ไหล่ะการที่ว่าจะลอยรปุ๊บหลุดออกมาถึงได้ความเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากอยู่ในความยากของมันนี้เราก็อย่างได้แล้วเราได้แล้วเรงมาเจอคาสอน ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ในเวลาปัจจุบันต่อมาต่อมาอีกเนี่ยเอ้เรารีบปฏิบัติรีบทาตามคำสอนนี้เลยเป็นโปรโมชั่นแล้วช่วงนี้ช่วงที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่รีบทําเลยรีบปฏิบัติเลยเพราะมันจะไปสู่ทางอันเกษมคืนิพานเหมือนช้าง ที่เขาสั่งให้ไปตรงไหนไปเลยทันทีไม่ต้องย้ำครั้งที่สองไม่ต้องขู่ครั้งที่สามพูดดีๆในะปัยเลยจิตเราเหมือนกันบางทีมันมีความโย์บ้างนะ่ะเดี๋ยวหยุดบ้างเดี๋ยวขี้เกียจบ้างเดี๋ยวตึงบ้างก็อย่าทําเป็นตัวตึงทําตัวสบายๆเขาสั่งให้ทําอะไรสอนอยังไงก็ทําอย่างนั้นสั่งสอนอยังไงอ่ะก็รู้อยู่อารมนี่แหละ ให้เห็นว่าออกเศร้าสังสารวัตรที่เราไม่ได้เคยไปมามันไม่มีเลยเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากมีอยู่ที่เดียวที่ไม่เคยไปจงไปตรงนั้นที่เดียวที่ไม่เคยไปจงไปตรงนั้นหน่งเปิดนิบานนิบ า, านคืออะไรคือความดับทุกความคลายกาหนัดความสิ้นไปแห่งตัณหาความสลละคืนแห่งความยึดถือทุกอย่าง ความส ง, รงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงหาสังกตธรรมที่ที่มันจะไม่มีการปรุงแต่งที่ที่จะไม่ปรากฏความตายแม้ความเกิดก็ไม่ปรากฏที่ที่จะไม่ปรากฏเห็นความมืดแต่ความสว่างก็ไม่มีมมที vintage, ทท่ที่จะไม่มีการเบียดเบียนที่ที่จะไม่มีการเปรียบเทียบที่ที่ว่ามันจะมีความสงบระงับโดยสิ้นเชิง โอ้มีที่แบบนี้ในโลกนี้ด้วยหรือนี่มันอยู่คนละโลกกันนะหวังมันเหนือโลกไปแล้วเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือความเพียรเหนือความขี้เกียจเหนือความเห็นผูกเหนือความเห็นผิดเหนือการพูดดีหรือการพูดร้ายเหนือสัมมาสังกัปปะเหนือมิจฉาสังกัปปะคือเหนือสุขเหนือทุกข์ทั้งปวง ก็เวลาที่เขาไปถึงนี่นะเขาไม่ได้เอาสัมมาสังกปะไม่ได้เอาสัมมากัมมันตะไปด้วยนะมรคคือทางเขาไม่ได้เอาเข้าไปด้วยเหมือนท่านปัสสารีบุตรป ร, รินทิพานแล้วนี่สินประนวนโอ้ตกใจมากแบบหัวเลยว่าโอ้ทำไมรรท่านปรินทิพานแล้วแด้เขาขาวมาแช่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาแล้าสาระบุตรเนี่ยเอา ศีลนสมาที่ปัญญาวิมุตต์ไปนิพพานด้วยเปล่ามันหมดมันน้อยลงไปจากโลกนี้ไหมเอาไม่เลยมันคนละอย่างกันครับท่านเหมือนกันนะเรายังมีมรรคแปดอยู่นี่มรรคแปดนี่ไม่ใช่นิพพานนะแต่เวลาชนิดพานมรรคแปดเราก็มาเดาไปองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนี้มันยังอยู่คืออยู่เหนือมันแล้วไงเหมือนคุณเดินเข้าสู่สถานที่มาบ้านใครนี่คุณก็ต้องออกจากทางไง ออกจากทางมาแล้วมันถึงจะเข้าบ้านได้เหมือนกันว่าเราจะไปสู่นิพพานเราตามทางนี้มาแล้วเนี่ยจุดที่เราจะออกตรงนั้นแหละจุดที่เราจะออกเนี่ยคือมันเข้านิพพานคือนิพูให้เข้าใจใเฉยๆนะแบบเปรียบเทียบว่ า, เ ข, า, า, นนะาเข้านิพพานนะจะเข้านิพพานเราต้องออกจากทางตรงนี้ออวทางเข้าอยู่ตรงไหนประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหรือบู่บนทางแล้ใช่ ต่นี้จะเป็นสุดนิพานใช่ไหมแล้วนิพพานมันอยู่ตรงไหนมันก็จะบอกเดินไปเรื่อยๆดิไปเรื่อยๆแล้วมันสุดทางตรงไหนเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆนะระว่บบางนะไอ้วันนี้ที่เราปฏิบัติเราทํำนี่มันก็เหมือนกับเมื่อวานนี้นะเออใช่ก็ศีลสมาธิปัญญาใช่ปะไอ้ที่เราปฏิบัติเมื่อวานนี้มันก็เหมือนมันก่อนนะแต่มันก็จริงอยู่นะมันก็เรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะใช่ปะ เลยที่เราปฏิบัติเมื่อวันก่อนมันก็เหมือนวันก่อนและวันก่อนนู้นหนึ่งนะมันก็ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันนะเราก็โทษนะที่เราจะปฏิบัติพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนวันนี้นะก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเหมือนกันก็เลยไม่จะพูดเรื่องอื่นได้เลยล่ะเอางิ้มันวนมาหนิท่านมันก็วนไปวนมานี่แล้วถามบอกว่านี่ทางสายกลางไม่ใช่ทางสุดตรงที่จะวนไปนั่นนี่ไอ้ที่ตรงโน้นนี่เขก็ไปยังวนอยู่ในความทุกข์อยู่ เราปฏิบติตันี้เรามันก้าวหน้าตรงไหนมันก็ยังวนอยู่มันเดิมกว่าศีลสมาธิปัญญาผู้อยู่มันก็ถูอีกอะทําม่วังมันก็วนอ่ะวนไปวนมาวนมาวนไปผลวนไม่เหมือนกันนะถ้าเราวนไปตามทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางใช่ปะชินวนไปในทางการวนไปในทางสุดโต่งวนไปในทางตรมาณตนนี่การปรุงแต่งต่างๆมันเพิ่มขึ้น แต่พอเราวนไปตามสีลสมาธิปัญญาวนไปวนไปวนไปวนไปกวนไปกวนไ ป, นไปมันมีการปรุงแต่งระงับลงระงับลงการปรุงแต่งที่ระงับลงระงับลงนั้นเป็นผลของอรมิมักมีองแปดอะไรการปรุงแต่งอะไรที่มันจะระงับอะกุสลดมัต้องหลมันจะระงับลงระงับลงแต่เราไม่ได้ไปตามทางสายกลางใช่ไหมไปตามสุดตรงทางกาม ไปตามการทรมานไงให้ลำบากมีมิจฉาทิฐิเนี่ยวนไปวนไปมิจฉาทิฐิคืออกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการปรุงแต่งทางอกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นมันสร้างปัญหามากกว่าสร้างประโยชน์นะแต่พอเราปฏิบัติตามมรรคแปดการปรุงแต่งที่เป็นทางอกุศลมันลดลงลดลงมันก็จะเหลือแต่กุศลเต็มไปหมดกุศลเต็มไปหมดไงทีนี้พอกุศลเต็มไปหมดกุศลเต็มไปหมดมันก็วนอยู่ที่เดิมนี่แหละ ใช่สิท่านผูฟังมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะว่าอากุศลแล้มทำงันมันก็เกิดขึ้นทุกวันเราก็ต้องชาระทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราก็ต้องชาระทุกวันเอาทีนี้แล้ไงต่อละท่านยังไงต่อก็พออกุศลมันลดลงนะครับลงจนเหลือแต่กุศลอย่างเดียวแล้ววนอยู่อย่างนี้วนอยู่างนี้แล้วยังไงต่อเมื่อวานก็เหมือนวันนี้วันก่อนก็เหมือนเมื่อวานพรุ่งนี้ก็จะเหมือนวันนี้อีกก็ทําเหมือนเดิมอีกนั่นแหละแล้วยังไงต่อนั่นแหะสิ ถ้าไม่เห็นรอยต่อมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องเห็นรอยต่อเราจึงจะไปต่อได้ทุกฝังรอยต่อนี่คืออะไรไม่ใช่ตัวต่อนะแต่เป็นรอยต่อรอยต่อก็อะไรรอยต่อของการเกิดขึ้นของการดับไปนี่แหละมันจะเป็นประตูประตูมันอยู่ตรงรอยต่อวนไปวนไป มันมีรอยต่อนะถ้ายังมีอากุศลธรรมอยู่มากมันจะเห็นรอยต่อไม่ได้แต่พอเราวนไปวนไปทำการปรุงแต่งให้ดีอากุศลธรรมระงับไปแล้วมีแต่กุศลธรรมเราจะเริ่มเห็นสังเกตรอยต่อได้รอยต่อนั้นคือการเกิดขึ้นการดับไปเกิดขึ้นดับไปของสิ่งต่างๆดูตรงนี้เกิดขึ้นดับไปของ คำพูดเกิดขึ้นดับไปของแสงสีเสียงเกิดขึ้นดับไปของความยินดีความไม่ยินดีเกิดขึ้นดับไปของสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราได้ยินความรู้สึกอารมณ์มันเกิดขึ้นมันดับไปมันเกิดขึ้นมันดับไปได้นี่แหละต็งฝังนี่แหละต็ฝังตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นประตูคือไม่ใช่ว่ามันเป็นตรงตรงนะตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยนี่แล้วมันก็จะถึงที่นะ่ะ นี่คือเขาอุ ป, ปหมายเฉยแต่พอเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเรามปนั่งสมาธินี่มันเราไม่ได้เห็นทางด้วยซ้ำมันเขา้าใจปะเพราะเราอยู่ในทางเราจึงไม่เห็นทางมันก็อยู่ในท่อนี่คุณก็ไม่เห็นท่อจากนอกแล้วจะเห็นถนนทั้งเส้นได้มันก็ต้องบินโดรนขึ้นไปแต่พอเราอยู่บนถนนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเอ๊ะมันเป็นทางโค้งหรือล่าถ้ามันโค้งกว้างๆนี่เราไม่ได้สังเกตเห็นด้วยซ้ำเอ๊ะทํากลับมาที่เดิมมันวนมาดีกว่า เออมันก็วนมาแล้วแหละวนมาแล้วทำไงใี่ไหวนมาแล้วก็ต้องสังเกตดูรอยต่อไงรอยต่อระหว่างเส้นทางนี่แหละจิตว่าเป็นสมาธิทุกครั้งทุกครั้งนี่ฉันทำสมาธิทุกครั้งทุกครั้งจิตมันก็เป็นสมาธิทุกครั้งทุกครั้งมันก็วนมาที่เดิมไลยตรงนี้แหละที่ว่าให้เราสังเกตเห็นแม้แต่สมาธิเองเอามันก็ไม่เที่ยงความคิดนึกก็ไม่เที่ยงความดีความสุขก็ไม่เที่ยง มักมีองค์แปดนี่มันเที่ยงไหมล่ะก็เมื่อก่อนมีไหมล่ะอะสัมมาสตินี่เมื่อก่อนมีไหมคิดเรื่องดีๆเนี่ยเออมันก็มีบ้างแต่มันก็น้อยแล้วมันเพิ่มขึ้นแล้วมันมีเงื่อนไขประจัยใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนไม่มีศีลตอนนี้มาไมามีศีลหรือเมื่อก่อนมีศีลน้อยหน่อยตอนนี้มันมีศีลมากหน่อยเมื่อก่อนมีแค่ศีลห้าเดี๋ยวนี้มีศีลแปอย่างนี้จากที่มันมีน้อยมันก็มีเพิ่มขึ้นอ้๊อ มันมีเงื่อนไขปัจจัยนี่นาเงื่อนไขปัจจัยก็ศรทธาแล้วเนี่ยตั้งเอาไว้มีความเพียงใส่ลงไปมันก็แปลรูปออกมาเป็นสิ่งต่างๆเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสัมมาปาจาเหล่านี้ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีเกิดขึ้นเมื่อก่อนมันมีเนอะเดี๋ยวนี้มันมีมากมันคือไม่เที่ยงน่ะแม้แต่มักแปก็ไม่เที่ยงนะมักแปที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับมิจฉาสังกปารูปละมักแปที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับมิจฉามัก ไม่ต่างอะไรกันกับการผิดศีลไม่ต่างอะไรกันกับการคิดชั่วแต่การคิดชั่วการผิดศีลมีฉามมักทั้ง8ปนั้นมันทำให้มีการปรุงแต่งทางอากุศลมากขึ้นมีการฟูขึ้นมีการเบียดเบียนกันมีอะไรต่างๆนี่ไม่ดีตา ม, มาแต่มัก8ที่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่มันทำให้มีการปรุงแต่งระงับลงการปรุงแต่งในทางอากุศลระงับลง การปรุงแต่งในทางดีๆรับลงมันแตกต่างกันแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมนี่เราให้เห็นความเหมือนและความต่างตรงนี้นั่นคือเห็นรอยต่อที่ว่าโอ้มันนินเนียนนี่มันเหมือนกันนี่ที่ว่ามันมีรอยต่อนะโอ้มันไม่เหมือนกันนะมันต่างกันอยู่นะเหมือนเวลาช่างไม้เนี่ยเขาต่อลิ่มไม้เข้าด้วยกันนี่ใช่ปะเอาไม้อีกอันหนึ่งมาประกบเป็นไม้อีกอันหนึ่งนี่ บางที่เราโอ้ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่เห็นรอยต่อเลยนะเขาทําดีมากเลยหรือเสื้อผ้าเนี่ที่มันตัดเย็บดีๆเนี่ยนะมีลวดลายอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขามาต่อกันเนี่ยเขาก็ต้องจับลวดลายให้มันมาต่อกันด้วยนะเวลาเขาทาลายการ์ตูนการ์ตุนอะไรต่างแล้วติดกระเป๋าก็ไปทับลายบดีเนี่ยเขาต้องเลือกชิ้นผ้าให้มันมาต่อลายกันบดีโอช่างนี้ก็มีฝีมือดูโดยรวมๆแล้วมัเหมือนกันเลย แต่ดูเจอดๆก็ไปอา้าวมันมีรอยต่อนี่แนละมันเป็นคนละชิ้นกันมันเป็นคนละผืนกันเหมือนกันนะทุกฝังนะเราสังเกตดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิให้เห็นความไม่เที่ยงของเจ้าตัวแม้แต่สมาธิเองให้เห็นความไม่เที่ยงแม้แต่แสงสว่างที่เกิดขึ้นให้เห็นความไม่เที่ยงของเจ้าความสงบให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราได้รับรู้ ่านทางหูผ่านทางใจผ่านทางความคิดเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทั้งหมดความคิดที่ผ่านมาโอ้มันก็ไม่เที่ยงคือไม่ใช่เห็นไปตามความคิดหรือตามความคิดนั่นไปนะแต่จิตเนี่ยมันเริ่มถอยออกแล้วถอยออกมาเหมือนบินโดรนขึ้นเนี่ยนะเห็นจากมุม ก, กว้างนี่แม้แต่ตัวจิตเองนี่ ที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆนั้นน่ะมันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวไปรับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวไปรับรู้สิ่งนี้เออมันมีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันเสียงที่เราไปรับรู้มมก็ гром, มีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันกลิ่นที่เราได้ดมก็มีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันแม้แต่การรับรู้ของเราที่เป็นวิญญาณที่ไปรับรู้เสียงได้รับรู้ภาพได้ผ่านทางหูทางตานี่มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาใ้วิญญาณนี้นะ มันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่มีเสียงเท่านั้นเป็นโสตวิญญาณตอนไหนไม่มีเสียงมันก็ไม่เกิดเอาลราตอนนอนหลับดูเราได้ยินเสียงอะไรไหมโอยมันก็มีเสียงอยู่แ น, น่ะเสียงแอร์บ้างเสียงพัดลมบ้างเสียงนกร้องตอนกลางคืนบ้างแต่เราไม่ได้ยินนะเราก็โสต ว, วิญญาณคุณไม่มีไงมันดับไปเออว่ะมันก็ดับได้มันก็เกิดได้มันไม่เที่ยงไรเจ้าวิญญาณนี่วิญญาณนี่มันคืออะไร มันคือการรับรู้อยู่ที่ไหนในช่องทางใจอะไรมันทำวิญญาให้เกิดขึ้นก็จิตของเรานี่แล้วจิตของเราเนี่เราเมันมาปรุงแต่งสร้างไอ้เจ้าตัววิญญาณให้ไปทำหน้าที่ในการรับรู้เพราะมันแบบว่าสเสอออกมาไงมันจยจะออกมาตามทางหูเนี่ยเพื่อจะรับรู้เสียงมันสเสอออกมาผ่านทางลิ้นเนี่มันจะรับรู้รสมันสเสอออกมาผ่านทางใจนี่มันจะรับรู้ความคิด มันเสออกมาผ่านทางจมูกมันก็จะรับรู้กลิ่นเนี่ยมันจะเสอออกมาอยู่เรื่อยโดยใช้เจ้าตัววิญญาณเป็นเครื่องมือเพฉะนั้นพอวิญญาณมันไม่เที่ยงจะบ่ามันไหลมาตั้งแต่กลิ่นก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงให้เจ้าการรับรู้ทางจมูกมันก็ไม่เที่ยงวิญญาตไม่เที่ยงแล้วแม้แต่ตัวจิตเองที่หวังมันก็ไม่เที่ยงจิตมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างที่เราเห็นได้ได้ยินได้รับรู้ได้สัมผัสได้ ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นน่ะไม่เที่ยงนี่คือรอยต่อเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปให้เห็นนี่คือเข้าใจทางความเห็นใช่ไหมที่ฐิใช่ป่ะแล้วเราเห็นจริงๆตรงนั้นมันดับไปตรงไหนมันเกิดขึ้นตรงไหนนาวนาวแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ที่นี่ปัจจุบันนี้แหละไม่ได้ไปข้างหน้าไม่ได้ไปข้างหลัง ไม่ไไปซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างไม่ได้ไปทางนั้นเพราะอมันก็จะวนกลับมาที่เดิมมันก็จะอยู่ในสมาธิเหมือนเดิมเพราะว่าพรุ่งนี้เราทําเราก็เหมือนวันนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนเดิมเมื่อวานเราทํามาก็เหมือนวันนี้มันก็เป็นสมาธิเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนวันก่อนๆด้วยนะมันวนทนีมวนเด็ถ้าไม่เห็นต่างออกจะไม่เห็นต่างออกหรอกถ้าไม่เห็นรอยต่อเราเห็นรอยต่อว่ามันเกิดขึ้นมันดับไปนั่นคือทางออกนั่นคือประตูประตูอยู่ตรงนี้ ที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีจะเปิดยังไงเห็นประตูแล้วคือเห็นรอยต่อใช่ปะะ่ะเคยขึ้นดับไปเคยขึ้นดับไปจะเปิดประตูได้ต้องเคาะซะก่อนเคาะแล้วจึงค่อยเปิดเคาะๆนี่คือน้อมเข้ามาสู่ตัวเราเองว่าไอ้จิตของเราเนี่นะมันไม่เที่ยงนี่หว่าเคาะนี่คือการน็อกดูนะ น, อนอ็อกๆดูเคาะๆดู คือไกรกรนก่อนนะไว้ที่ไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะเฮ้ยมันก็ไม่ใช่สุขแล้วเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมก็ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเ้ขอขอดูเคอขอดูที่มันใช่ของเราเปล่าอ่ะมันใช่ของเราป่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาถ้าเราจะมาเข้าใจว่าไอ้นี่เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัววนของเราเนี่ย มันไม่ใช่นะลองข้อๆดูที่มันไม่ใช่ของเราเนี่หว่าใช่มันไม่ใช่ของเรานะมันเราไม่ควรจะมายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราใช่ไหมล่ะเราไม่ควรเราไม่ควรเพราะว่ามันมันไม่เที่ยงเป็นตุวมีความแปรเปรวนเป็นธรรมดาเคอๆดูตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันมันไม่มันไม่ไม่น้าไม่น่าใช่ของเราเนี่ยเราจะมาเป็นตัวเรานี่ไม่ได้ะข้อะดูไตรตรองดูใกล้ครุ่ดู สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก Marvin. มีความปลายปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเรามันไม่ควรนี่นาเ ข, า, ขาดูตรวจสอบดูแล้วมันไม่ใช่ของเราโน้อไม่ใช่ของเราทําไงไม่ใช่เป็นเราทําไงก็วางเลยอย่าไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราวางความยึดถือนั้นเสียวางความยึดถือที่เรามายึดถือว่าจิตนี่เป็นตัวเราวางความยึดถือว่า มากนี่เป็นของเราวางความยึดถือว่าหูเนี่ยเป็นตัวเราวางความยึดถือในเสียงไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างง้นวางความยึดถือว่าภาพที่เห็นตาที่มีเป็นตัวเราเป็นก้องเราเป็นตัวตนของเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้เป็นเราเป็นสิ่งนี้เนี่ยวางความยึดถือเหล่านั้นให้หมดวางความยึดถือหมดเคาะแล้วก็คือเปิดประตูไงเปิดประตูเข้าไปเลยนั่นคือวางเลย วางความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเสียวางความยึดถือต้องทำยังไงอปัญญาไงท่านฟังใช้ปัญญานิดเดียวเนี่ยใช้ปัญญานิดเดียวตรงนี้ว่า no มันไม่ใช่ของเรา no มันไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะออกจากทางเลยแม้มักแปเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราเราจะออกจากทางเลยเปิดประตูแล้วเข้าไปเลยท่านฟัง ประตูไม่ได้อยู่ตรงอื่นไกลเลยอยู่ตอนหน้าเรานี้เองเห็นรอยต่อนั่นคือการเห็นการเกิดดับเคาะเคาะดูแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นของเราเปิดประตูก็ไปเลยนั่นคือวางความยึดถือนั้นเสียบวงวางได้แล้วจิตมันจะระงับลงมันจะเย็นลงวางได้ด้วยปัญญาอยู่ได้ด้วยสติคือการที่เราเห็นว่ามันไม่เทียนะ่ยนั่นคือปัญญาแล้วใช่ไหม แ้เราเปิดประตูเข้าเข้าไปเนี่ยคือมีสติแล้วไออยู่กับสติวางความยึดถือเสียด้วยปัญญาไม่ใช่ของเราวางด้วยปัญญาความเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมมันตันดโดยอัตโนมัติจิตเราอยู่อะไรคราวนี้จิตเราจึงนารงอยู่ได้วดีจิตจึงมีความราเริองอยู่ด้วดีจิตจึงตั้งอยู่ด้วยดีด้วยสติกุณ่เป็นอย่างนี้ตั้งหวังชื่อว่าสามารถรับเอาปัญญา ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบไว้ให้เป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่ได้ตรัสรู้แล้วโชคดีม า, มากๆเลยทุกวันโชคดีม า, มากๆเลยที่วันนี้เราได้มาเจอกันโชคดีม า, มากๆที่วันนี้เราได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันโชคดีม า, มากๆที่วันนี้เรามีจิตสงบเกิดปัญญาขึ้นรักษาความโชคดีรักษาความดีนี้ไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันและที่ท่านผู้ฟังได้ฟังจนไปนั้น คือช่วงของจิตตวิเวกการปฏิบัติธรรมการตั้งสติให้เกิดปัญญาปฏิบัติร่วมกันไปในรายการธรรมรับรุนโดยมูลินทิปัญญ า, ปาวปากับข้าพเจ้าพระมหาไปบูญฮาพี่ปุณโงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญปอน